สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระคริสต์นะครับจริงๆวันนี้เนี่ยยังอยู่ในเทศกาลปีใหม่ของจีนนะครับเขาจะอวยพรกันอยู่มีสองคำที่เราคุณคุณนะครับซินเจียยู่ยี่ซินหัวชัยแล้วก็ถ้าเป็นภาษาจีนกลางก็จะเป็นคงซีฟาชายัยซึ่งทั้งสองคำนี้ยจริ ง, รงๆเขาอวยพรกันในเรื่องของ w e l คความมั่งคัง่งความร่ำรวยคนจีนในเวลาอวยพรกันเนี่ยจะมีอยู่สองอย่างหลักๆที่เขาจะพูดนะครับก็คือเรื่องของสุขภาพและความมั่งคัง่งนะครับในพ่มพีมีเขียนไว้ว่าสมบัติอยู่ที่ไหนใจของคนก็อยู่ที่นั่น ผมมีความชื่นชมยินดีที่ผมมีความรู้สึกว่าสำหรับเราคริสเตียนทรัพย์สมบัติของเราฝากไว้ในแผ่นดินของพระเจ้าและใจของเราจดจ่อยอยู่กับพระองค์นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับผู้รองพัทวิทย์นะครั บ, นะรบหรือว่าพี่อ๋องใช้ขอ้อพระพิปีประจํา เดือนของคริสจักรในพระธรรมเสฟัญยาบทที่สามข้อที่ยี่สิบนะครับปรากฏอยู่ในนับปกของระเบียบนรัสการตลอดทั้งเดือนนี้นะครับมีด้วยกันห้าฉบับตั้งแต่ฉบับที่หนึ่งถึงฉบับที่ห้านะครับผมอยากจะชวนให้พวกเรามีโอกาสได้ทบทวนเรื่องนี้กันสักครั้งจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่อัศจรรย์นะครับพระเจ้าได้คอนเฟิร์มบางอย่างกับเราพระเจ้าได้ตรัสบางอย่างกับพวกเราเพราะสิ่งที่ ศาสตราจารย์สันตินะครับท่านรองเสียงพิบัตของเราเนี่ยได้เทศนาในภาคเช้าและสิ่งที่ผู้ครองพัฒวิตยได้เทศนาในภาคบ่ายเนี่ยจริงๆแล้วมีความสอดคล้องกันโดยที่ท่านไม่ได้นัดหมายกันมาครับดูสักนิดหนึ่งผมอ่านว่าในคราวนั้นเราจะนําเจ้ากลับเข้ามาคือในคราวที่เรารวบรวมพวกเจ้าเข้าด้วยกันเออ เราจะกระทําให้เจ้ามีชื่อเสียงและเป็นที่สรรเสริญในท่ามกลางบรรดาชนชาติทั้งหลายของโลกคือเมื่อเราให้เจ้ากลับสู่สภาพเดิมต่อหน้าต่อ ต, อตาเจ้าพระเจ้าตรัดยดังนี้แหละเซฟัญญาเป็นใครนะครับในพระธรรมเซฟัญญาอยู่ตรงไหนนะครับดูเรื่องนี้กันสั้นๆ ส, สักนิดกนึงผมจะไม่ใช้เวลามากวัตถุประสงค์ของการ บันทึกพระธรรมเสฟันยาบอกว่าให้ชนเผ่ายูดาได้ทราบถึงการพิพากษาของพระเจ้าที่ใกล้เข้ามานี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับให้ชนเผ่ายูดาได้ทราบถึงการเสด็จมานะครับของการพิพากษาของพระเจ้าเสฟันยาใช้คําตรงไปตรงมาในการบอกคนยูดาว่าเฮ้ hey, พวกท่าน กำลังมีปัญหานะ เ, เรื่องหนึ่งก็คือว่าการมาถึงของวันแห่งองค์พระบุญเจ้าซึ่งในไยะของยิวแล้วเนี่ยการเสด็จมาขององค์พระบุญเจ้าเนี่ยไม่ใช่เรื่องสนุกนะครับใครที่อยู่ต่อหน้าพระพรักของพระเจ้าเนี่ยมีความหมายในเชิงการพิพากษาโทษเสียมากกว่า ผู้เผยพระเจ้าหลายคนพบพระเจ้าแล้วตกใจว่านี่ถึงเวลาที่เขาจะต้องจากโลกนี้ไปแล้วใช่ไหมนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นที่เสฟันยาพยายามจะบอกกับคนยูดาว่าพระเจ้ากำลังเสด็จมาการพิพากษากำลังมาถึงพวกเขากลับใจสมใหม่ค่อนข้างตรงไปตรงมานะครับคีย์แมสเซจนะครับข้อความที่เขาจะสื่อสารเนี่ย หัวใจหลักของที่เสพัญญาสื่อสารออกมาเนี่ยก็คือว่าพระเจ้าจะมาและลงโทษชนชาติทั้งหลายไม่เว้นแต่คนอิสราเอลอย่างสาหัสนะครับความผิดของพวกเขาคืออะไรถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์ของอยิวในช่วงเวลานั้นความผิดของเขามันมีอยู่อย่างเดียวเลยก็คือว่าพวกเขาละทิ้งพระเจ้าพวกเขา ปันใจไปให้สิ่งอื่นผมใช้คำว่าสิ่งอื่นพระอื่นเทพเจ้าองค์อื่นปัญญาของมนุษย์หรือแม้กระทั่งความลำพองในความฉลาดเฉลียวความยิ่งใหญ่ของชนชาติของตัวเองเขาลืมพระเจ้าแต่กระนั้นในพระธรรมเสฟัญญายัางแสดงให้เห็น ความเมตตาที่มีอยู่ในพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยมพระเจ้ายัางคงมีความเมตตาต่อประชากรของพระองค์อย่างเต็มเปี่ยมเราเห็นเรื่องนี้ในพระธรรมเสฟัญยาในพระธรรมเสฟัญยามีอยู่ถ้าแบ่งออกมานะครับมีอยู่สี่ตอนหลักมีอยู่สี่ตอนหลักนะครับจากสามบทเนี่ยนะครับมีอยู่สี่ตอนหลักตอนแรกก็คือเสฟัญยาเป็นใครก่อน ในพระธรรมที่เกี่ยวกับผู้เผยพระพชนะของพระเจ้าเราไม่เราไม่เห็นอารัมพบทที่เป็นบทนําเกี่ยวกับการแนะนําว่าผู้เผยพระเจ้าคนนี้เป็นใครและมีแบ็กกราวด์อย่างไรโดยท่านการเปิดตัวแบบของเสฟันยานี่เขาเขาอยูนิคมากคือเป็นมีเอกลักษณ์ของตัวเองมากก็คือเป็นคนเดียวที่เป็นผู้เผยพระเจนะ้าที่เป็นชนชั้นสูงโดยกําเนิดจําได้ไหมฮะ เป็นลูกของเออเป็นลูกหลานนะครับของกระสันนี่คือนี่คือเสฟัน ญ, ญานี่คือชีวิตของเขาแต่เขาเอาตัวเขาเองเนี่ยนะครับมารับใช้เต็มเวลาเรามีคนแบบนี้เราพบว่าในช่วงของพระเยซูคริสต์เนี่ย คนที่มาติดตามพระเยซูคริสต์เนี่ยเต็มไปด้วยชาวประมงเป็นคนธรรมดาแม้แต่พระเยซูคริสต์เองเนี่ยเสด็จกลับมาก็ เ, าเป็นคนธรรมดาผมก็ต้องจะบอกว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าของทุกคนนั่นแหละผู้รับใช้ของพระเจ้ามีได้ทุกระดับนั่นแหละเศฟัญยาเป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับเศฟัญยาเริ่มต้นด้วยการเตือนเกี่ยวกับหายานะที่กําลังมาถึง เศฟันยาบอกอีกว่าวันแห่งองค์พระพู้เเจ้าเนี่ยจะมีอะไรอยู่บ้างมีการพิพากษา ค, าคนชนชาติทั้งหลายและยูดาอย่างแสนสาหัสใช้คำว่าแสนสาหัสเขาตรงไปตรงมานะครับไม่อ้อมคอมนี่คือคนอยู่บอกว่าการข่าครวรจะมาถึงเยรูซาเล็มเป็นยังไงครับเพราะอะไรเพราะในเวลานั้นมีการกราบไหว้ รูปเคารพที่เยรูซาเล็มมีการนำพระอื่นๆเข้ามาตีเสมอกับพระเจ้ามีช่วงเวลาแบบนี้เกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าในแผ่นดินของพระเจ้านะครับคนเหล่านี้ได้หันหลังให้พระเจ้าโดยสิ้นเชิงลืมไปแล้วว่าพระเจ้าช่วยกู้เขาครั้งแล้วครั้งเล่าสำหรับเราทั้งหลายใช้คำง่ายๆก็คือพระเจ้าถูกทรยศ หากหลังและผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำเล่าจากคนที่พระองค์ส่งรักและพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ทุกคนขึ้นมาด้วยความรักวันนี้เราจะคุยเรื่องนี้กันแต่ตอนสุดท้ายของเสพัญญาของพระธรรมเสพัญญานะครับจบลงอย่างแฮปปี้เอนดิ้งนะครับจำได้ไหมฮะสัปดาห์ที่แล้ว HAPPILY e v e เ AFTER เหมือนในนิทานชอบจริงๆเลยผมก็ชอบคำนี้เหมือนกันอยู่อย่างมีความสุขตลอดไปนั่นคืออะไรนั่นคือภาพของการคืนดีมันเป็นอย่างนี้มาตลอดเวลา <c oughs> พระเจ้าตามหาในทุกช่วงเวลานะครับย้อนกลับไปที่พระธรรมปฐมกาล เมื่อมนุษย์คู่แรกของโลกได้ทำให้พระเจ้าเสียพระทยัยโดยการละเมิดคาสั่งของพระเจ้านั่นคืออาดัมเงย์บาหลังจากที่เขาละเมิดคาสั่งของพระเจ้าที่ห้ามห้ามง่ายๆเองมีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งเจ้าอย่ากินที่เหลือเจ้ากินได้หมดง่ายไหมฮะนิดเดียวต้นเดียวที่เหลือกินได้หมดเลยนะครับให้พระเจ้าไม่ได้พระเจ้าผิดหวังไหมครับ ในพระมปีเขียนเอาไว้ชัดเจนพระเจ้าดำเนินลงมาอาดัมได้ยินเสียงของพระเจ้าอาดัมไปซ่อนเมื่อมนุษย์ทำผิดมนุษย์รู้ว่าตัวเองเป็นที่ไม่พอพระทัยของพระเจ้าผมกำลังทบทวนความจำให้เรานะครับหยิบยกคำเทศนาของอ <c> า <oughs> จารย์สันติจากตอนเช้านิดนึงบอกว่า <c oughs> เสียใจกลับจับใจใหม่ ต, ต่างกันยังไงสิ่งที่อาดัมแสดงออกให้เห็นนั่นนั่นนะฮะเสียใจอุ้ยผิดไปแล้วทําไงครับไปซ่อนดีกว่ากลัวพระเจ้าลงโทษไปหลบอยู่พระเจ้าบอกว่าเจ้าซ่อนอยู่ทําไมโอ้ข้าพระองค์เปื่อยกายอยู่พระเจ้าตอบอาดัมว่าเจ้ากินผลไม้จากต้นที่เราสั่งห้ามนั้นแล้วใช่ไหม เราไม่พูดเรื่องนี้กันนะครับ อ, ด, อ ด, ดัมตอบฝนองด้วยท่าทีที่เราได้เรียนรู้หลายครั้งต่อหลายครั้งแล้วว่าอดัมนั้นไม่ได้สำนึกผิดอยู่ในท่าทีนั้นเลยอดัมโทษภรรยาของตัวเองและในในัยยะนั้นภรรยาของตัวเองคือผู้หญิงที่พระเจ้าประทานมาให้เพราะนั้นอดัมโทษพระเจ้านั่นแหละผู้หญิงที่พระองค์ประทานมาให้นั่นแหละเป็นคนหยิบให้ข้าพระองค์กินอดัมไม่ได้สานึกผิดแต่สิ่งที่พระเจ้า ตอบสนองคือพระเจ้าทําเสื้อผ้าจากหนังสัตว์ให้อดัมใส่เรื่องนี้กําลังบอกอะไรกับเราแม้ว่ามนุษย์จะทําผิดกับพระเจ้าพระเจ้ายัางคงรักมนุษย์และให้สิ่งที่ดีที่สุดกับมนุษย์เสมออดัมพยายามจะตามมีตามเกิดนะครับเอาไปเอาใบไม้มานุ่งผมแต่พระเจ้าบอกว่าอย่าเลยไหนไก็ไหนไหนละพระเจ้าจะทำเสื้อผ้าจากหนังสัตว์ให้ใส่ เรื่องของหนังสัตว์มีอีกนัยยะหนึ่งก็คือว่าเมื่อมีการทำบาปเกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือต้องแลกด้วยชีวิตมีบางอย่างต้องตายเมื่อพระเจ้าได้หนังสัตว์มานั่นแปลว่ามีสัตว์ตัวหนึ่งอย่างน้อยหนึ่งตัวต้องเสียชีวิตเพราะนับาปจึงเป็นต้นเหตุของความตายนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับและนี่คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้ไป ในสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วนี่คือสิ่งที่อยู่ในพระธรรมเสฟัญญาตอนสุดท้ายที่เราได้อ่านด้วยกันไปเมื่อสักครู่นี้ผมมีคําถามครับภาพเนี้ยไม่ใช่มีเฉพาะในพระธรรมเสฟัญญาไม่ได้มีช่วงที่เกิดขึ้นในช่วงชีวิตของกษัตริย์พระองค์นี้เท่านั้นที่ อิสราเอลนั้นหันหลังให้กับพระเจ้าถูกลงโทษกวาดต้อนไปเป็นเฉลยบ้างแพ้สงครามบ้างถูกทำลายบ้านเมืองบ้างพระเจ้ากู้เขาขึ้นใหม่กลับขึ้นมาดีมีลูกมีหลานไปสักครั้งหนึ่งเอาอีกลืมพระเจ้าหันหลังให้กับพระเจ้าหันไปนมัสการพระอื่นมีชีวิตที่โหดร้ายทารุณลืมพระเจ้าไม่มีพระเจ้าในชีวิตชีวิตอ่ะถูกทาลายลงอีกพระเจ้ากู้ขึ้นใหม่แล้วก็ลง แล้วก็ขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นพระเจ้ายังคงให้อภัยแล้วก็ให้สิ่งที่ดีกับชนชาติอิสราเอลเสมอนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับแล้วถ้าเป็นเราล่ะครับถ้าเป็นเราคำถามถามว่าพี่น้องสามารถให้อภัยคนที่ทรยศพี่น้องซ้ำแล้วซ้ำเราได้กี่ครั้ง ไม่ต้องตอบนะครับเก็บไว้ในใจนี่คือคําถามนี่คือสิ่งที่เราเรียนรู้จากชีวิตของคนอิสราเอลหนึ่งอย่างที่เราเรียนรู้จากชีวิตของคนอิสราเอลให้เราร่วมใจการอธิษฐานครับสาธุการพระเจ้าพระบิดาสาธุการโมทนาขอบพระคุณพระองค์ขอบคุณพระองค์ในความรักความเมตตาของพระองค์ ขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ส่งประทานความรอดและสิ่งต่างๆที่จำเป็นในการดำรงชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายในวันนี้ขอบพระคุณที่พระองค์ทรงรักเราทั้งที่หลายๆครั้งพวกเราเองไม่ได้น่ารักและทำให้พระองค์ผิดหวังครั้งแล้วครั้งเล่าพระองค์เจ้าข้าขอพระองค์โปรดเปิดตาของเราให้เราเข้าใจในความรักของพระองค์ ที่เราทั้งหลายจะรับเอาความรักนั้นและรักพระองค์ตอบและรักพระองค์มากยิ่งขึ้นในแต่ละวันขอพระองค์ที่สถิตยอยู่ด้วยกับการดําเนินชีวิตดํารงชีวิตของพวกเราทั้งหลายพระองค์เจ้าค่ะขอพระองค์อยู่เคียงข้างในทุกย่างท้าวกลาวเดินขอพระหัตถ์ของพระองค์จะนําหน้าพวกเราต้อมอบชีวิตของพวกเราไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์เราอธิษฐานในพระนามพระผู้ชเจ้า พี่น้องครับเมื่อกี้ผมถามว่าเราจะให้อภัยคนที่ทรยศเราได้สักกี่ครั้งผมมีคำถามหนึ่งนะเมื่อกี้ผู้นำได้นำเราอ่านพระชนะจากพระธรรมสดุดีบทที่ห3สบสานะครับข้อสถึงข้อหผู้นำได้ร้องเพลงด้วยนะครับเพลงแรกที่ใช้ในวันนี้คือ เ, เพลงความรักของพระเจ้า ดีกว่าชีวิตตรงกับข้อพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับในพระธรรมสดุดีในพระธรรมสดุดีเนี่ยไม่ได้เขียนขึ้นโดยคนคนเดียวนะฮะแต่เป็นเหมือนกับบทเพลงนมสการของคนอิสราเอลในสมัยนั้นสำหรับสดุดีบทที่63เนี่ยเขียนขึ้นเนื่องในโอกาสหนึ่ง ในช่วงเวลาหนึ่งนะครับถ้าเราย้อนไปอ่านดีๆนะครับเราจะพบว่าในสดุดีบทที่63าเริ่มต้นอย่างนี้ครับข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ข้าพระองค์แสวงหาพระองค์อย่างจริงจังจิตวิญญาณของข้าพระองค์กระหายหาพระองค์ร่างกายของข้าพระองค์หยหาพระองค์ในดินแดนแห้งแล้งกันดารเริ่มต้นแบบนี้ครับ นั่นหมายความว่าเอาอีกแล้วใช่ไหมอิสราเอลต้องต้องกำลังตกระคำลําบากอีกแล้วใช่หรือไม่จึงได้กลับมาคร่าครวญร้องหาพระเจ้าคําตอบคือใช่ครับอิร เ, อเป็นอย่างนี้ครั้งแล้วครั้งเล่าบทเพลงทั้งหลายในสรุดีก็ตามนะครับในบทเพลงคร่าครวญก็ตามในหลายๆที่ครับ สันเสริญพระเจ้าอย่างจับจิตจับใจเหมือนกับว่าอิสราเอลนั้นรักพระเจ้าจากก้นบึ้งของหัวใจพี่น้องจําไว้ให้ดีครับนั่นเป็นช่วงเวลาที่เขามองไม่เห็นทางอื่นแล้วเขาเหลือแต่พระเจ้าองค์เดียวที่เป็นที่พึ่งให้เขาเขาถึงได้หันกลับมาหาพระเจ้า นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะผมมีคำถามผมถามว่าทำไมดาวิดถึงเขียนตรงนี้นะครับว่าความรักของพระเจ้าดีกว่าชีวิตเรามาหาคำตอบนี้ไปด้วยกันครับเริ่มต้นแบบนี้ครผมบอกไว้เลยจวหัวไว้ก่อนว่าการเขียนพระธรรมสุวิีบทที่ 6.3 สามเริ่มต้นจากช่วงเวลาที่ กษัตริย์ดาวิดและทหารของเขาทั้งหลายอยู่ในความยากลำบากรบติดพันและหนีไปนะครับในแดนกันดารถ้าอยากจะรู้เรื่องนี้เพิ่มเติมต้องไปลองอ่านนะครับอยู่ในพระธรรมสองซามูเอลนะครับบทที่สิบห้าช่วงเวลาประมาณนั้ น, นครับช่วงนั้นเกิดอะไรขึ้นเราไม่มีเวลามากนะครับวันนี้เรามีเวลา อยู่ด้วยกันไม่ได้ไม่ได้มากไม่ใช่ค่ายถ้าเป็นค่ายเราจะ declare เรื่องนี้จะเจา ะ, ะ, ะลึกเรื่องนี้กันว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของคนอิสราเอลในช่วงเวลานั้นเ <oui. S 1> พื่อนผม <S <S ต้องเริ่มจากอย่างนี้ครับอยากจะรู้ว่าทําไมดาวิดถึงได้พูดว่าความรักของพระเจ้านั้นดีกว่าชีวิตเริ่มจากคําถามแรกนะความรักของพระเจ้ามีลักษณะอย่างไร เราเคยตั้งคำถามกับตัวเองไหมครับหลายคนบอกว่าทําไมนะเวลาครูรวีผมเป็นครูรวีครูรวีจะต้องถามว่านักเรียนนะครับนักเรียนทราบไหมว่าทําไมพระเยซูคริสต์ถึงได้เสด็จมายอมตายบนไม้กางเขนเพื่อไถ่าบาปแทนเราทั้งหลายนักเรียนของผมก็เป็นนักเรียนที่ดีมากเลยครับนะครับเขตอบเป็นเสียงเดียวกันเลยยอหนบทที่3ข้อที่16อาจารย์อก๊ก พระพเจ้าทรงรักโลกถึงได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์พระพเจ้าทรงรักแล้วผมถามต่อว่าแล้วลักษณะความรักของพระเจ้าเป็นยังไงความเงียบก็ามาถึงห้องเรียนทันใดนั้นวันนี้ถ้าผมถามพี่น้องที่อยู่ในคริสตรศัฒนานั่งอยู่กับผมตรงนี้นะครับเริ่มจาก ความรักของพระเจ้ามีลักษณะอย่างไรพระเจ้านิยามความรักของพระองค์อย่างไรในพัมพีเดิมนะครับในพันธสัญญาเดิมมีการบันทึกเรื่องของความรักของพระเจ้าเอาไว้มากมายมีลักษณะเด่นๆอยู่นะครับก็หลายที่ในพระธรรม สะดูดีมีอยู่อันนึงที่ถูกพูดซ้ำมากเลยเป็นลักษณะความรักของพระเจ้าคือความรักมั่นคงของพระองค์สังเกตใช้คำว่า u n f a i l i n g love unfail ความรักที่ไม่มีทางเสื่อมสลายไปภาษาไทยแปลได้ดีนะครับความรัก มั่นคงของพระองค์ลักษณะความรักของพระเจ้าเป็นความรักที่มั่นคงครับพี่น้องมั่นคงหมายความว่ายังไงมั่นคงหมายความว่ายังไงมั่นคงนะครับในในในในในเชิงวิศวกรรมก็คือไม่พังถูกครับถ้าเป็นโครงสร้างเนี่ยบอกมั่นคงก็คือว่าสามารถจะรับ น้ำหนักที่มันโถมอยู่บนนั้นได้ไม่ว่าจะเอาอะไรใส่เข้าไปมันจะไม่พังลงมานะครับถ้าเกิดว่าเป็นอตอนนี้มีคำคาฮิตว่าตอนนี้ Thailand 4.0 จะมีเรื่องหนึ่งอินอบบ Internet, เทอร์เน็ตซ i เครตี้ความมั่นคงของระบบอินเทอร์เน็ตเป็นยังไงความมั่นคงของระบบอินเทอร์เน็ตก็คือทำไรครับไม่ว่ามีใครจะพยายามทำลายระบบแฮกเกอร์จะมาเจาะจะมาล้วงข้อมูลหรือจะมีทราฟิกมากขนาดไหนมันจะยององทางานได้ต่อไป ความมั่นคงก็คือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะยังคงเป็นเหมือนเดิมพระเจ้าไม่เคยรักเราน้อยลงในสดุดีบทที่หพูดคําว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอทรงหันมาช่วยกู้ข้าพระองค์ด้วยเถิดขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอดพ้นเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ ยังไม่พอในข้อในบทที่6ข้อสี่นะฮะแล้วข้อห้าเขียนต่อว่า mm. ไม่มีใครที่ตายไปแล้วจะระลึกถึงพระองค mm. ์ได้ผู้ใดเล่าจะสรรเสริญพระองค์จากหลุมฝังศพได้ท mm. นี่มันอะไรกัน mm. ผู้เขียน mm. ให้ทายผู้เขียน mm. เขียนอันเนี้ยขึ้นมา mm. ในสภาพไหนครับป mm. ่วยไม่มีใครที่ตายไปแล้ว จะระลึกถึงพระองค์ได้ผู้ดใดเล่าจะสรรเสริญพระองค์จากหลุมฝังศพกลบาว่าพระองค์พระองค์ป่วยอยู่อย่าให้ข้าพระองค์ตายนะแล้วย้ำกับพระเจ้าว่าความรักมั่นคงของพระองค์นะอิสราเอลรู้ไหมครับคนอิสราเอลรู้เป็นอย่างดีว่ายังไงพระเจ้าก็รักเขาไม่มีทางเปลี่ยนแปลง ลหลายครั้งที่คนอิสลามใช้คำว่าความรักมั่นคงของพระองค์บ่อยครั้งนะครับเวลาเขาใช้คำนี้มีความหมายเท่ากับพระเจ้าจช่วยด้วยเปิดดูพระคัมภีร์นะครับเราจะเจอคํำนี้เยอะมากในพระธรรมซาุดีนี้ปาเข้าไปเป็นจะเป็นสิบรอบครับมีอีกที่หนึ่งนะครับในพระคัมภีร์ซาุดีบทที่หนึ่งอ หนึ่งเจ็ดเป็นช่วงเวลาที่กลับจากการถูกกวาดต้อนเป็นฉเฉลยเมื่อกี้มีในช่วงเวลาที่สงครามใช่ครับคราวนี้ในช่วงเวลาที่เจ็บป่วยใช่ไมครับมาร้อยเจ็ดเป็นช่วงเวลาที่ชื่นชมยินดีครับกลับจากการถูกกวาดต้อนไปเป็นฉเฉลยให้พวกเราขอบพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าสำหรับความรักมั่นคงของพระองค์และสำหรับ พระราชกิจมหัศจรรย์ของพระองค์ที่ทำเพื่อมนุษย์เวลาได้รับพระคุณของพระเจ้าทีหนึ่งคนอิสราเอลก็จะจำได้ครั้งหนึ่งว่าฤทธิอำนาจของพระเจ้านั้นอัศจรรย์ญญขนาดไหนเหมือนกับเราจำเรื่องของคนที่เป็นโรคเรื้อนสิบคนได้ไหมครับ พระเจ้ารักษาเขากี่คนครับมีอยู่สิบคนพระเจ้ารักษาเขากี่คนครับสิบคนกลับมากี่คนครับคนเดียวแล้วที่เหลือล่ะครับไม่รู้เราก็ไม่รู้นะครับรับพระคุณแต่เพียงเปล่าเปล่าใช่ไหมครับ นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นทุกครั้งพระเจ้าช่วยกู้รับพระคุณไปแล้วเออสบายตัวแล้วขอบคุณนะพระเจ้าบ๊ายบายนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับอิสราเอลแม้แต่พวกเราเคยเป็นเปล่าเกิดขึ้นได้ครับกับพวกเราทุกคนเกิดขึ้นได้กับผมเช่นกันบางครั้งเราอธิษฐานไม่หลับไม่นอนไม่หยุดไม่ย่อนเพราะเราไม่มีที่พึ่งอื่นแล้วนอกจากพระเจ้าแต่พอพระเจ้าช่วยกู้เราแล้วเรากลักบ ไม่มีแม้กระทั่งเวลาจะอธิษฐานเพราะการงานมันกําลังดียุ่งพระองค์ข้าแต่พระองค์ขอพระองออค์ปลุพรครับพระองค์ที่เหลือเหมือนเมื่อคืนนะพระองอค์เจ้าข้าเหมือนเมื่อคืนหมายถึงอธิษฐานไปแล้วเมื่อคืนวันนี้ก็เหมือนเมื่อคืนนั่นแหละไม่มีเรื่องใหม่ขอพระองค์หลับฝันดีแค่นี้อาเมนเคยเป็นมมันเหนื่อยมันยุ่งมันไม่มีเวลา สิ่งนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพระเจ้ามีความรักมั่นคงนะไม่ว่าเราจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าตัวอย่างก็คืออนะิสราเอลเป็นอย่างนั้นแต่พระเจ้าคงรักเ้ามั่นคงลักษณะต่อไปของความรักของพระเจ้าก็คือความรักมั่นคงของพระเจ้าดำรงเป็นนิตอยู่ที่ไหนอยู่ในบทสดุดีครั้งแรกที่มีบันทึกไว้ในปติศาสตร์ 1พงพงศาวดาลบทที่16ข้อที่34ดูด้วยกันก็ได้วยเป็นบทสดุดีนะครับครั้งแรกเลยนะฮะที่มีการบันทึกไว้ในปรวัติศาสตรคือเราไม่รู้ว่ามีใครก่อนหน้านี้หรือเปล่าแต่ว่าบทสดุดีที่ดาวิดเขียนอันแรกในคืนนี้นจงขอบคุณพระองค์องค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะพระองค์ทรงแสนดีเมื่อกี้ผู้นาแนะนาเราร้องเพลง พระองค์แสนดีและไม่มีใครเหมือนเพราะพระองค์แสนดีเราไม่มีใครจะเหมือนพระองค์ทรงสมควรที่จะรับการซรรเสริญตอนร้องมันก็เพราะดีนะครับแต่สิ่งนี้ที่เกิดขึ้นกับดาวิดเนี่ย ดาวิดเขียนอันนี้ออกมาจากหัวใจของเขานี่คือตอนที่เขาได้หีบพันธสัญญาของพระองค์คืนมาแล้วตั้งหีบพันธสัญญาของพระองค์ไว้ในพระผลาตอนนั้นยังไม่มีพระวิหารเป็นหีบพันธสัญญาความรักของพระองค์ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิธ์ and do forever อยู่ตลอดครับ หลังจากดาวิดมาจนสร้างพระวิหารเสร็จคำนี้มาปรากฏอีกทีในพระธรรมสองพงศาวดารบทที่ห้าเป็นเรื่องเดียวกันนะฮะพระองค์ประเสริฐความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงนิรันต์ตอนนั้นโซโลโมอนสร้างพระวิหารเสร็จแล้วหีบพันธสัญญาจากพระพารพระพารก็คือเต็น์นะครับอยู่ชั่วคราวก่อนเอาไปฝาไวก้กน ในพมพีเนี่ยมีเขียนเอาไว้ในสองพงศวรร ด, ดานบทที่หบอกว่าไอ้คานที่หามหีบพันัญญาเนี่ยยาวถึงขนาดที่ว่าด้านหน้าของคานหามเน่ยเข้ามาในพระวิหารแล้วมองไม่เห็นปลายด้านหลังคนอิสราเอลนี่ดีใจขนาดสร้างคารหามที่มันยาวขนาดนั้นขึ้นมานึกออกไหมฮะสมมติพระวิหารเหมือนของเราเนี่ยเข้าประตูมาแล้วมเีเจ้าพนักงานห า, หามหามเข้ามา เห็นข้างหน้าเนี่ยเข้ามาแล้วไอ้ปลายคานหาบด้านหลังเนี่ยหางแถวอยู่ไหนไม่รู้อิสราเอลก็เป็นอย่างนี้อีกแล้วนะครับเวลาที่เขาขอบคุณพระเจ้าเนี่ยเหมือนว่าความรักมันหวานชื่นเป็นช่วงฮันนิมูนสวีทมาเลยนะครับทำกับพระเจ้าอย่างยิ่งใหญ่ทำกับพระเจ้าอย่างอลังการเลยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับ จริงๆแล้วเป็นตัวอย่างที่ดีเมื่อขอบคุณพระเจ้าขอบคุณอย่างสุดจิตสุดใจขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีถูกแล้วฮะถูกแล้วถูกแล้วไม่ได้ไม่ดีนะฮะถูกแล้วสิ่งที่เขาทำอ่ะถูกแล้วไม่ได้ผิดแต่เราจะเห็นว่าชีวิตของเขาขึ้นขึ้ น, นลงลงเสมอมีอีกตอนหนึง่งเ็าบอกว่านะครับจากพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่เจเขียนว่าทรงรักษาพันธสัญญาแห่งความรักของพระองค์ มาถึงตรงนี้เนี่ยเราเริ่มเห็นแล้วว่าหลายคนเวลาศึกษาพระเจ้านะาอาจจะเคยได้ยินนะครับว่าในยุคของพันธสัญญาเดิมคือยุคของพระเดชและในยุคของพันธสัญญาใหม่คือยุคของพระคุณแต่ในความจริงแล้วในยุคของพระเดชทำไมาถึงใช้ยุคของพระเดชเราจะเห็นว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่เฉียบขาดเป็นพระเจ้าที่ ลงโทษจริงจังแล้วหลายครั้งเราเห็นว่าพระเจ้าค่อนข้างจะดุนะครับค่อนข้างจะดุใช้คําว่าดุนะดุเลยก็ได้เหมือนพ่อดุลูกอย่างเงี้ยนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในภาคพันธสัญญาเดิมดูหมินพระเจ้ามีโทษตายก็ตายจริงๆตายจริงเจ็บจริ ง, ร ง, รงอยู่ในภาคพันธสัญญาเดิมนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ในภาคพันธสัญญาใหม่เราได้เห็นอีกภาพหนึ่งเราเห็นพระเยซูคริสต นะครับเราเห็นคำหนึ่งที่ปรากฏในพระธรรมมัทธิวบทที่ห้านะครับถ้าใครจะพอจำพระธรรมมัทธิวบทที่5ได้บอกว่าจงรักศัตรูของท่านเออทำไมพระเยซูคริสต์ถึงบอกว่าให้รักศัตรูของท่านนี่เป็นรูปแบบความรักอีกอันนึงของของพระเจ้าแล้วใช่ไหมครับ ตรงนั้นเขียนว่าเพื่อท่านจะได้เป็นบุตรของพระบิดาของท่านในสวรรค์การรักการรักศัตรูทำให้เป็นลูกพระเจ้าหรือเปล่ า, าเราอ่านแค่นี้นะฮะในพระธรรมมัทธิวเขียนว่าเพื่อจะทำให้ท่านได้เป็นบุตรของพระบิดาในสวรรค์จริงๆแล้วไม่ใช่การที่เราได้ทำอย่างนั้นจึงสําแดงให้คนทั้งหลายได้เห็นว่าเราเนี่ยแหละคือลูกของพระเจ้านอกครับการที่เราสามารถรักคนอื่นได้ ไม่ได้ทําให้เราเป็นลูกของพระเจ้าเราได้เป็นลูกของพระเจ้าเพราะอะไรครับเพราะพระคุณโดยทางความเชื่อเราจึงได้สิทธิ์เป็นลูกของพระเจ้าถูกไหมฮะไม่ได้เป็นลูกของพระเจ้าด้วยการทําดีต่างๆนะครับแต่ในพระคีข้อนี้เขียนว่าเพื่อท่านจะได้เป็นบุตรของพระบิดาของท่านในสวรรค์นั่นหมายความว่าเราได้แสดงให้คนอื่นเขาเห็นว่าอ๋อนี่เรามีชีวิตที่แตกต่างจากคนอื่นอย่างสิ้นเชิงเพราะคนอื่นจริงๆต้องเห็ตาต่อตาฟันต่อฟัน แรงมาแรงกลับไายมาไลายตอบนะครับแต่พระเยซูคิดกับสอนให้รักศัตรูนี่คือรูปแบบความรักของพระเจ้าความรักของพระเจ้ามีช่วงหนึ่งที่พระเจ้าโต้อตอบกับเปตรเจ้ารักเราหรือ พระเยซูถามเปโตรว่าเจ้ารักเราหรือเปโตรตอบว่าข้าพระองค์รักพระองค์พระเจ้าค่ะถ้าอ่านเป็นภาษากรีกนะครับผมพูดภาษากรีกไม่ได้แต่รู้คํานี้ที่เขาใช้แทนคําว่าความรักเจ้ารักเราหรือเนี่ยรักที่พระเยซูใช้ใช้คําว่าอากาเปเปโตรตอบว่าข้าพระองค์รักพระองค์เปโตรใช้คําว่า ฟิเลโหรือเฟล l อสภาษาไทยแปลว่ารักเหมือนกันลำบากเนาะภาษามันคนละภาษากันทำให้เราอ่านพระมีตอนนี้แล้วไม่เข้าใจเพียสุดพยายามจะถามเปโตรว่าเจ้ารักเราโดยปราศจากเงื่อนไขหรือเปล่าเปโตรความรักแบบอากาเปในภาษากรีกนั้นหมายความว่าความรักแบบที่ไม่มีเงื่อนไข ไม่ได้มีเหตุผลอะไรที่จะต้องมารักกันพระเยซู ร, รักมนุษย์ไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรไม่ได้ต้องการอะไรตอบแทนจากมนุษย์ไม่ใช่เพราะมนุษย์คืออะไรบางอย่างที่พระองค์จะต้องรักมันไม่มีเหตุผลอะไรก็แค่รักรักได้ตายแทนได้ไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรแต่เปโตรนั้นกลับตอบพระองค์ว่าโอ้พระองค์เจ้าข้าข้าพระองค์นั้นเทิดทูนบูชาพระองค์ มันเหมือนกันไหมละ่ะมันก็ไม่เหมือนงานมันเป็นคนละคนละคกันเลยเพราะันความรักของพระเจ้าบ่อยครั้งเราเห็นว่าความรักของพระเจ้าจึงเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขนะครับนี่คือสิ่งที่เรากำลังพูดกันอยู่ในใ น, ในเวลานี้นะครับในในช่วงเวลานี้ความรักของพระเจ้า อีกที่หนึง่งนะครับที่บอกว่าเป็นของใหม่อยู่ทุกเวลาเช้าอืความรักมั่นคงของพระเจ้าไม่เคยหยุดยั้งและพระเมตตาของพระเจ้าไม่มีสิ้นสุดเป็นของใหม่อยู่ทุกเวลาเช้าความเที่ยงตรงของพระองค์ใหญ่ยิ่งนักบทเพงลงข้ามครัวนบทที่สามเคยร้องเพลงนี้กันใช่ไหมครับ เป็นของใหม่ทุกเวลาเชา้าหมายถึงอะไรเรานึกถึงอะไรเมื่อกี้นี้ผมกลังพูดถึงเปโตรคนหนึ่งจริงๆแล้วอยากจะรวมสองเรื่องนี้เข้าด้วยกันใหม่ทุกเวลาเชา้านั่นหมายความว่าไม่ว่าเมื่อก่อนของเมื่อเวลาเช้าก็คือก่อนหน้านี้เราจะผิดพลาดอะไรเช้ามาใหม่พระองค์ก็รักเราอีกแล้วล้มแล้วให้โอกาสลุกใหม่ได้เสมอนี่เป็นรูปแบบความรักของพระเจ้า อีกอย่างหนึ่งพระเจ้าให้อภัยเสมอล้มลุกได้ล้มลุกได้เปโตรนั้ปนะปฏิเสธพระคิดถึงสามครั้งเพื่อเอาชีวิตรอดจําได้ไหมฮะไก่ขันสามรอบพระเจ้าจะประกาศพระเจ้าจะปฏิเสธเราสาครั้งก่อนไก่ขันพอปฏิเสธครบรอบที่สามปุ๊บโอ้พี่น้องก็ไม่รู้จักเลยคนนั้นไก่ก็ขันไก่ขันปุ๊บเปโตรก็นึกได้ทันที เกิดสำนึกผิดขึ้นมาแล้วไปไหนครับเพ่นไปเลยตอนที่พระเยซูคถูกตึงแล้วทุกคนกลับมารวมกันเปตรไม่ได้กลับมารวมกับเหล่าสาวกในช่วงเวลานั้นจนกระทั่งพระเยซูครสตตัดว่าไปตามเปโตรกลับมาด้วยไปบอกเขาว่าเรากลับมาแล้วแล้วไปบอกเปโตรด้วยพื่ไม่ได้ถือโทษกดเปโตรเพราะยูรู้อยู่แล้ว ว่าพวกเราเรวมทั้งเปโตรเนี่ยผิดพลาดได้เสมอนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือรูปแบบความรักของพระเจ้าพระเจ้ารักเราด้วยความปราถนาดีด้วยความอดทนด้วยการให้อภัยเสมอแล้วพระเจ้าหยิบยื่นของดีแก่เราเสมอจนกรทัานอาจารย์ เปาโลได้เขียนเรื่องหนึ่งในพระธรรมโคลินบอกความรักนั้นก็อดทนนานและกระทําคุณให้มันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ต้นครับพระเจ้าอดทนกับเราตั้งแต่สร้างพวกเราขึ้นมาคือเรียกว่าสร้างมนุษย์ขึ้นมาปุ๊บก็ต้องทนกับความผิดพลาดของมนุษย์ตั้งแต่แรกถึงวันนี้เลยทีเดียวเพราะนี่คือรูปแบบความรักของพระเจ้าเราพอจะเห็นรูปแบบความรักของพระเจ้าแล้ว คำถามต่อไปผมถามว่าแล้วเราจะมีโอกาสได้เห็นความรักของพระเจ้าจากที่ไหนบ้างล่ะครับอืมเมื่อกี้เราใหยครวญคาว่าความรักมั่นคงของพระเจ้าในพระคัมภีร์มีเขียนว่าความรักมั่นคงของพระเจ้าดำรงอยู่เป็นนิจเราได้เห็นว่าความรักของพระเจ้านั้นนเป็นความรักที่อดทนนานเป็นความรักที่ไม่เคยที่จะเปลี่ยนแปลง แล้วรักเราไม่ว่าเราจะได้เรื่องหรือไม่ได้เรื่องอย่างไรก็ตามแล้วบางครั้งที่ชีวิตของเรามองไม่เห็นพระเจ้าล่ะเคยไหมครับเรารู้สึกว่าเราถูกพระเจ้าทอดทิ้งหรือเปล่าทําไมช่วงนี้มันมีแต่เรื่องร้ายๆเกิดขึ้นในชีวิตเรามองไม่เห็นพระองค์ทาไมพระเจ้าเงียบจังมันไม่มีสัญญาณตอบรับจากพระเจ้าที่เราเรียก เราอาจจะเคยได้ยินเรื่องเล่าเรื่องนี้นะครับทราบว่าหลายคนคงเคยได้ยินเชื่อว่าอย่างนั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับตาบอดแล้วแฟนของเขาครับหรือสามีของเขาเนี่ยก็บอกเขาว่าเขาต้องฝึกใช้ชีวิตด้วยตัวเองให้ได้จะต้องขึ้นรถไปทำงานเองไปจนถึงที่ทำงานได้เองเดินทางออกจากบ้านไปยนถึงที่ทำงานได้ทั้งๆ ท, ที่เขาตาบอด เรื่องจริงๆมันยาวกว่า น, นี้มา ก, ก น, นะครับผู้หญิงคนนั้นมาทราบในภายหลังว่าแท้จริงแล้วนะครับสามีของเขาเนี่ยเดินตามหลังเขาทุกฝีก้าวเพื่อให้แน่ใจว่าเขาปลอดภยัยทำไมต้องทำอย่างนั้นครับเพื่อให้มั่นใจว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเขาผู้หญิงคนนี้จะสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้ด้วยตัวเอง หลายครั้งนะครับเราจะเคยคนนี้เปรียบเทียบเรื่องนี้ครับว่าเด็กๆ เ, เนี่ยเวลาเขาเดินได้ใหม่ๆแต่เขาเริ่มวิ่งได้ใหม่ๆสังเกตดูนะครับเขาจะเดินไปหรือเขาวิ่งไปสักไม่กี่ก้าวเขาจะหันกลับมาเดินไปไม่กี่เขาจะหันกลับมาเพื่ออะไรครับเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใหญ่พ่อแม่ปู่ย่าตาให ญ, ใหญ่คนที่เลี้ยงเ้าเนี่ยตามมา หรื อ, อยังอยู่ตรงนั้นแต่เขาก็จะไปสักพักเขาหยุดแล้วเขาหันกลับมาไปแล้วก็หยุดแล้วเขาก็หันกลับมานี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับเราไม่ได้เห็นพระเจ้าในวันที่เราวิ่งไปข้างหน้าเด็กเด็กน้อยวิ่งไปข้างหน้าเด็กน้อยไม่ได้เห็นว่าพ่อแม่อยู่แล้วแต่หันกลับมาทุกครั้งก็จะเห็นเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมกาลังจะบอกว่า เรามองไปข้างหน้าเราไม่ได้เห็นพระเจ้าไม่ได้แปลว่าพระเจ้าไม่ได้อยู่กับเราเวลาเรากำลังทำอะไรบางอย่างไม่ได้แปลว่าพระเจ้าไม่ได้มองเราอยู่เพี่แต่เราหันกลับมามองพระองค์ครับหันกลับมามองพระองค์ทำยังไงอ่ะครับพระบัพตสอนว่าจะต้องทาอะไรครับพูดคุยกับพระองค์ก็คืออธิษฐานพระคิดสอนให้เราอธิษฐานพระคิดอธิษฐานให้เราดู เป็นตัวอย่างมีเรื่องหนึ่งในพระธรรมหนึ่งพงกษ์เราเราเคยได้ยินเรื่องนี้บ่อยๆเรื่องราวของเอลียบนภูเขาคาราเมลเอลียเป็นผู้รับใช้ของพระเจา้าเป็นผู้เผยเพระวจะนะที่เขาเข้าใจว่าตัวเขาเหลืออยู่คนเดียวจริงๆแล้วไม่นะฮะเขาไม่ได้โดนฆ่าตายกันหมดนะครับ สมัยนั้นเนี่ยเอริยาเขาเข้าใจว่าตัวเขาเนี่ยเหลืออยู่คนเดียวแล้วไม่มีใครแล้วนะครับเขาเกิดในยุคของกษัตริย์เออไม่เขาอยู่ในยุคของกษัตริย์อาหับนะครับซึ่งกษัตริย์อาหับเนี่ยเป็นกษัตริย์ที่ไม่ไม่เอาพระเจ้านะครับก็ปล่อยให้นางเยซซเบลผู้เป็นภรรยาเนี่ยนะครับเอาพระอะไรก็ไม่รู้เข้ามาเต็มไปหมดเลยนะครับมีทั้งพระบาอันนะครับมีเจ้าแม่เอเชรารอรก็เข้ามาในแผ่นดินอิสราเอลเต็มไปหมดสิ่งที่เกิดขึ้นที่เป็นที่ โ, โห่เล่าแล้วทุกครั้งก็มันทุกครั้งเลยนะว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเขาแข่งกันนะครับตั้งเครื่องถวายบูชาขึ้นแล้วบอกว่าโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะเอาของถวายบูชาเนี่ยมาวางแต่ไม่จุดไฟแล้วให้แข่งกันในิฐานพระเจ้าของใครแจ๋งจริงเนี่ยนะครับจะประทานไฟลงมาแล้วรับเอาเครื่องผาบูชานั้นไปนี่เดิมพันด้วยชีวิตนะครับในพระมหีบันทึกเอาไว้ว่าพระเจ้าได้กระทําการอัศจรรย์นะครับโดยพระประพระ ของพระบาอันเนี่ยสี่รอยกว่าคนเนี่ยนะครับและพระของเจ้าแม่เอชราเนี่ยอีก4ี่ร้อยคนเนี่ยอธิฐานอยู่ค่นวันนะครับก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นยังไม่พอนะครับพอมาถึงตาของเอริยาเอริยาบอกว่าเอาน้ำราดลงไปด้วยแล้วเอริยาก็เริ่มอธิษฐานมีไฟตกลงมาจากฟ้านะครับแล้วเอริยาก็ชนะในการต่อสู้ครั้งนั้นเรื่องนี้จบลงด้วยการ อะไรรู้ไหมฮะอาหับกับคือคือเรามากักจะบอกว่าจบด้วยการเห็นไหมพระเจ้ายิ่งใหญ่แต่นะเขาพยายิงอ่านต่อไปอีกนิดนะฮะจบด้วยการอาหับกลับไปหาเยเชเบลเยเชเบลโกรธมากและไล่ล่าเอลียาเอลียาห น, นีไปครับไปซ่อนตัวแล้วอธิษฐานบอกพระเจ้าว่าเออพระเจ้าให้ข้าพงตายซะดีกว่าไม่ไหวแล้ว เอรยาทูลกับพระเจ้าว่าข้าพระองค์กระตือรือร้นทุ่มเททํางานเพื่อพระยาเวพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ชนอิสราเอลได้ละทิ้งพันธสัญญาของพระองค์หรือแท่นบูชาของพระองค์สังหารผู้เผยพระชนะของพระองค์ด้วยคมดาบเหลือข้าพระองค์เพียงคนเดียวและบัดนี้พวกเขากําลังพยายามฆ่าข้าพระองค์เสียอีกด้วยตัดพ้อต่อว่าพระเจ้าให้ข้าพระองค์ตายซะดีกว่า คืออดทนทํางานเพื่อพระเจ้าและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเหรอไม่เกิดผลสัทีนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนระดับเอลรียผู้ซึ่งอันนี้เป็นอีกหนึ่งคนที่ไม่ได้ไม่ได้ตายแบบปกตินะครับคือพระเจ้ามารับแล้วหายไปในพระมพีมีอยู่ไม่กี่คนนะฮะที่มีการบันทึกเอาไว้ว่าเขาถูกรับขึ้นใหม่โดยไม่ต้องตายด้วย ความแกะชะ่ชราความเจ็บป่วยหรือข่มหอข่มดาบแต่เขาถูกพระเจ้ารับเอาไปทั้งทั้งเป็นเป็นนี่คนระดับเอลียามีช่วงเวลาที่ต่อล้อต่อเถียงในพระเจ้าท้ายที่สุดพระเจ้าปรากฏกับเขามีถามว่าบอกมีพายุเกิดขึ้นมีลูกไฟเกิดขึ้นเอลียาก็นึกว่าพระเจ้าอยู่ในนั้นแต่พระคัมภีร์บันทึกว่าพระเจ้าไม่ได้อยู่ในนั้น กับมีเสียงสายลมแผวบานแล้วพระเจ้าอยู่ที่นั่นแล้วตรัสกับเขาบอกให้เขาเดําเนินชีวิตต่อไปและในที่สุดนะครับไ ป, ไปอ่านต่อได้นะครับในพระธรรมหนึ่งพงศษถึงสองพงกษัตริย์เอลียานั้นได้ส่งส่งต่อความรับผิดชอบของเขาให้ผู้เผยพระชนะชื่อเอลิชาอีกคนหนึ่งนะครับเราจะพบพระเจ้าได้ที่ไหนเราจะพบพระเจ้าได้ทุกที่ทุกเวลาเราแค่เรียกพระองค์ครับ เราแค่อธิษฐานพระองค์เราแค่บอกพระเจ้าว่าพระองค์เจ้าข้าเราต้องการพระองค์นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเรื่องราวของโยบเลยฮะเรื่องราวของโยบสอนอะไรเราความรักของพระเจ้าอยู่ที่ไหนทําไมพระเจ้าปล่อยให้โยบเป็นอย่างนั้นทําไมพระเจ้าปล่อยให้โยบถูกม า, การทําการทดลองต่างๆนานานพระเจ้าไม่ได้เหลียวแลโยบหรอพระเจ้าไม่ได้รักโยบหรอเมื่อสองสามวันก่อนผมได้เห็นรูปหนึ่งเพื่อนแชร์มาใน Facebook เป็นรูปเข็มแสดงมาตรวัดน้ำมันในรถยนต์อันหนึง่งเลยจากเครื่องถังลงมานิดหน่อยแล้วก็เขียนว่าต้องรีบเติมน้ำมันแล้วน้ำมันจะหมดอีกอันหนึง่งตกลงมาแสดงว่าน้ำมันกำลังจะหมดแล้วเขียนคำบรรยายข้างล่างว่าไปต่อได้ฉันรู้จักรถของฉันดี ตกลงมาจากครึ่งถังนิดเดียวต้องเติมแล้วน้ำมันจะหมดอีกอันนึงบอกว่าไปต่อได้ฉันรู้จักรถของฉันดีคิพระเจ้าเป็นแบบไหนครับพระเจ้าเป็นแบบหลังพระเจ้ารู้ว่าใครได้แค่ไหนพระเจ้ารู้ว่าโยบได้แค่ไหนในรรพระมปีเขียนว่าภาระของเราก็เบาและแอกที่เราเตรียมไว้ก็พอดีพระเจ้ารู้ครับว่าเราได้แค่ไหน ไม่มีใครที่จะต้องเป็นเหมือนใครพระเจ้ามีแผนการสำหรับเราแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่เรามีสิทธิเท่าเทียมกันในการพบพระเจ้าได้ในทุกที่ทุกเวลาเราเห็นแล้วนะครับรูปแบบของพระเจ้าเป็นแบบไหนสองเราเห็นแล้วนะครับว่าเราพบพระเจ้าได้ที่ไหนอันที่สามครับผมถามว่าเมื่อไหร่เราจึงจะมีสิทธิที่จะได้รับความรักจากพระเจ้าเมื่อไรเราจึงจะมีสิทธิได้รับความรักจากพระเจ้าถามอย่างนี้นะครับมี choice หนึ่งเมื่อรับบัพติศมาสมบูรณ์แล้วเป็นสมาชิกสมบูรณ์ของคริสตจักรแห่งใดแห่งหนึ่งสองหรือตั้งแต่เรารับเชื่อแล้วเราถึงจะมีสิทธิ์ได้รับความรักของพระเจ้าหรือแค่เราเกิดลืมตา ม, มาในโลกนี้เราก็มีสิทธิ์ได้รับความรักของพระเจ้าแล้วครับตอบง่ายๆแน่นอน ยังไม่ทันเกิดมาเลยพระเจ้าก็ให้เราคือผิดทุกข้อไงยังไม่ทันเกิดมาพระเจ้าก็ให้ความรักกับเราแล้วก็คือให้พ่อแม่เราได้เจอกันไม่งั้นเราไม่มีโอกาสเกิดมานะฮะพระเจ้านัปนมีพระเจ้านั้นได้มีแผนการให้เราตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วผมยกตัวอย่างเนี่ยมัทธิวบทที่แปดที่พระเยซู ร, รักษาคนป่วยหลายๆลายคนใครจำเรื่องนี้ได้บ้างมีคนโรคเรื้อน เมื่อกี้พูดไปละคนรกเรือนมีบ่าวของนายร้อยมีแม่ยายของเปโตรมีคนผีสิงผมถามว่าคนพวกนี้ได้รับการรักษาเพราะอะไรเพราะเขามีความเชื่อหรือเปล่าพราะคัม์ไม่ได้เขียนเกี่ยวกับความเชื่อของคนเหล่านี้สักเท่าไหร่เลยครับบ่าวของนายร้อยเป็นใครอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้พูดถึง ถ้าถ้าเป็นมัทธิวเขาเขียนว่านายร้อยมาเองถ้าเป็นในลูกาก็จะเขียนว่านายร้อยเนี่ยให้ธรรมาจารย์ที่นายร้อยรู้จักมาหาพระเยซูก็จะคาดเคลื่อนกันนิดหน่อยแต่ก็คือสรุปว่าบ่าวเนี่ยไม่ได้มาบ่าวรู้จักพระเยซูบ่าก็ไม่รู้บ่าวมีความเชื่อหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่สามสี่คนเนี่ยผมบอกสรุปได้อย่างเดียวว่าพระเจ้ารักษาเขาเพราะพระองค์รักพวกเขามากพอที่จะรักษาเขาเป็นพระกุณ พระเจ้าแต่เพียงเดี๋ย ว, ว น, นี้วันนี้ผู้นำของเราได้ใช้คําว่าพระเจ้ารักเราและเป็นเพียงเพราะพระคุณของพระเจ้าฉะนั้นเราถึงได้มีโอกาสได้รับความรักของพระเจ้าเป็นพระคุณของพระเจ้าครับไม่ได้เป็นเพราะว่าคนเหล่านี้มีความเชื่อหรือได้ทําอะไรดีลาซารัสที่อยู่หน้าบ้านเศรษฐีที่นอนเป็นแผลมีหมามาเลียแผลจําได้ไหมครับมีคนนี้อยู่ในพระคัมภีร์ ตายไปแล้วไปอยู่ที่ไหนอยู่ในอ้อมกอดของอับราฮัมเออก็คือตายไปแล้วขึ้นสวนรรค์ลาสรัสทำความดีอะไรไม่ปรากฏพระเจ้ารักและเมตตาเขานั่นคือสิ่งที่เราตอบคำถามได้ครับเราไม่รู้หรอกว่าลาสลาสทำดีอะไรอาจจะไม่ได้ทำอะไรเลยก็ได้แต่พระเจ้ารักและเมตตาเขาเป็นพระคุณของพระเจ้าเพรา ะ, ะนั้นเมื่อไหร่เราจะได้มีสิท์ได้รับความรักของพระเจ้าคาตอบก็คือทุกเมื่ อ, ท, อทุกเวลา ผูกเรามีสิทธิ์เท่าเทียมกันไม่ได้แปลว่าวันนี้ผมรับใช้พระเจ้าด้วยการเทศนาอยู่ที่นี่แล้วผมได้รับพระคุณมากกว่าพี่น้องทีน้ำมส ก, การนะครับคุณกรีและพี่ๆน้องอยู่ตรงนี้ได้รับพระคุณมากกว่าพี่น้องเปล่าพระเจ้าได้ให้เราแต่ละคนในแบบที่เหมาะสมกับเราทุกที่ทุกเวลาทุกคนที่มีความเชื่อพงตอบสนอง พวกเราเนี่ยน่ประการที่สี่ผมถามว่าเราสงสัยไหมครับว่าทําไมพระเจ้าจึงรักเราอืม mm. เราสงสัยไหมครับทําไมพระเจ้าจึงรักเรามันน่ารักตรงไหนเนี่ย mm. คือทําอะไรแต่ละอย่างเนี่ยลองนึกลองนึกถึงข้อเสียตัวเองครับลองนึกถึงข้อเสียตัวเองตอนนี้ลองนึกถึงข้อเสียสโอ้ mm. oh. มันน่รักตรงไหนเนี่ยพระเจ้ารักคนแบบนี้เข้าไปได้ยังไงหลายคนบอกโอ้ถ้ารักคือการให้ถ้ารักคือการให้นี่นะฮะพระเจ้ารักเราแบบอันลิมิตเลยในพระธรรมผสมการบทที่หนึ่งเลยฮะพอสร้างทุกอย่างเสร็จพอสร้างทุกอย่างเสร็จเกิดอะไรฮะ พระเจ้าก็สร้างมนุษย์ขึ้นมาแล้วยกอิกสสารพัด ส, สิ่งที่พระเจ้าสร้างมาก่อนหน้านั้นอีกห้าวันเนี่ยให้ให้มนุษย์ไปหมดเลยโลกทั้งใบจกให้มนุษย์ทารกการรักคือการให้มิมีใครให้อะไรได้มากกว่านี้แล้วฮะให้กว่านั้นอีกนะครับผ่านไปผ่านไปสักพักหนึ่งมนุษย์ก็แย่ลงแย่ลงแย่ลงแย่ลงแย่ล ง, ลงเลยต้องให้พระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาตายเพื่อไถ่บาปแทนมนุษย์ ถ้ารักคือการใหผมถามอีกว่าในภาษากรีกมันมีอีกคำหนึ่งนะฮะเมื่อกี้สองคำแล้วใช่ั้มมันมีอีกคำหนึ่งเป็นคำว่า σ ο เกเนี่แปลว่าความรักที่เป็นเรื่องของสายเลือดครอบครัวเพราะพ่อแม่รักลูกเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยแม้แต่มนุษย์ยังรักลูกของตัวเองแม้แต่สิ่งมีชีวิตอื่น แม่แมวรักลูกของตัวเองเราผู้ซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าพระองค์จะไม่รักเราเช่นนั้นหระครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องถามว่าทำไมพระเจ้าถึงรักเราพระเจ้ารักเราจริงเหรอตอนนี้เราจะไม่สงสัยเรื่องนี้แล้วนะครับเรามั่นใจได้เลยว่าพระเจ้ารักเราทุกทุกคนเป็นอย่างนั้นจริงๆผมยืนยันกับพี่น้องได้ว่าเราเป็นอย่างนั้นจริงๆ ผมเลือกมองดูนาฬิกาผมผมอาจจะไม่ได้มีเวลามากแล้วนะครับนอกจากความรักแล้วเนี่ยนะครับมันยังมีอะไรมากกว่านั้นอีกนะครับว่าพระเยซูคริสต์เนี่ยเสด็จเข้ามาในโลกนี้เนี่ยแน่นอนเมื่อกี้บอกว่าเพราะพระเจ้าแต่ใครท่องได้นะฮะยอห์หบทที่สามข้อที่สิบหกพระเจ้าทรงรักโลกจึงได้ประทานพระบุตรอ ง, ง์เดียวของพระองค์มา เพื่อผู้ที่เชื่อและวางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์นี่เพราะพระเจ้าส่งรักเราแลรักจริงๆรักแบบไม่มีเงื่อนไขรักไม่มีเหตุผลอะไรก็รักนะครับหรือถ้าอยากได้เหตุผลก็เพราะเราเป็นลูกของพระเจ้าก็ได้นะครับถ้าอยากอยากรบตัวเองให้ได้แต่ผมมีอันนึงที่จะอยากจะพาพี่น้องไปดูคืออยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่6นะครับคงจะเป็นข้อพระคัมภีร์ที่เราจะเปิดด้วยกันอีกสักข้อหนึ่ง เดี๋ยวถ้าใครยังเปิดไม่ทันโจทย์ไว้เอินก็ได้นะครับในพระธรรมยอห์นบทที่หข้อ38 39นะครับเพราะเราได้ลงมาจากสวรรค์ไม่ใช่เพื่อทำตามใจของเราเองนี่พระยะสูตรัสนะครับแต่เพื่อทำตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ส่งเรามาและพระประสงค์ของพระองค์ผู้ส่งเรามาคือ ไม่ให้เราสูญเสียคนทั้งปวงที่พระองค์ประทานแก่เราไปแม้สักคนเดียวอีกสักครั้งนะฮะไม่ให้เราสูญเสียคนทั้งปวงที่พระองค์ประทานแก่เราไปแม้สักคนเดียวแต่จะให้คนเหล่านี้เป็นขึ้นมาในวันสุดท้ายหมายถึงใครครับไม่ให้สูญเสียไปแม้แต่คนเดียวหมายถึงพวกเราหรือเปล่าพระเยซูขึ้นหมายถึงคนทั้งปวง ที่ได้ยินเรื่องของพระองค์หรือแม้แต่ไม่ได้ยินเรื่องของรงพระองค์เพราะพระองค์เสด็จมาเพื่อคนเป็นและคนตายมาเพื่อคนที่อยู่ก่อนพระองค์อยู่หลังพระองค์อยู่พร้อมพระองค์อยู่ทุกคนพระเยซูเป็นของทุกทกคนอย่างเท่าเทียมกันนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับแล้วเราจะต้องทำอย่างไรครับเราถึงจะได้รับเศษนั้นเราถึงทํำไรเราต้องทําอย่างไรถึงจะได้รับความรัก จาพระเจ้าได้รับการไถ่จากพระเยซูยคริสต์พระเยซูครสต์ตัดเอาไว้มีบันทึกในพระธรรมมัทธิวบทที่เข้อ7บอกว่าจงขอแล้วท่านจะได้รับจงหาแล้วท่านจะพบจงเคาะประตูแล้วประตูจะเปิดให้แก่ท่านจงขอแล้วท่านจะได้รับจงหาแล้วท่านจะพบจงเคาะแล้วประตูจะเปิดให้แก่ท่าน ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับในช่วงเวลานี้นะครับถ้าหากมีผู้หนึ่งผู้ใดที่คิดว่าต้องการความรักและการคืนดีกับพระผู้เป็นเจ้าหรือมีผู้ใดต้องการที่จะต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดครับท่านที่ยังจะอธิษฐานยังหลับตายอยู่นะครับ <c oughs> ผู้ใดต้องการความรักหรือการคืนดีกับองค<ม>์ พ, พระ<ม>ผู้เป็นเจ้าผู้ใดที่ต้องการจะต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของท่านมาขอเชิญขอเชิญให้ท่านยืนขึ้นนะครับที่พวกเราจะมีโอกาสได้อธิษฐานเผื่อท่า น, ท, าน<ม>ที่ผมจะมีโอกาสได้อธิษฐานเผื่อท่านในเวลานี้นะครับเราอธิษฐานด้วยกันนะครับ สันสญพระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุดสันสญพระเจ้าที่รักพระองค์ทั้งหลาย ส, สรนสนพระองค์เพราะเรารักพระองค์เช่นนันพระองเจ้าข้าขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงทรักและมีแผนการที่ดีเกี่ยวเราทั้งหลายพระสงค์ข้าในเวลานี้เราถ่อมใจลงสรภาพบาปของเราทั้งหลาย ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามพระองค์เจ้าค่ะขอพระองค์โปรดชำระบาปที่มีอยู่ในชีวิตของเราเพื่อที่เราจะพร้อมที่จะรับความรักที่ดีพร้อมความรักที่บริบูรณ์และเป็นความรักที่เป็นนิรันดร์ของพระองค์พระองค์เจ้าค่ะในวัา น, นี้ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระเยซูคริสต์ที่เสด็จมา เพื่อเป็นเครื่องยืนยันแห่งการคืนดีเป็นสั ญ, ญลักษณ์แห่งการคืนดีของข้าพระองค์ทั้งหลายและพระบิดาเจ้าจะเป็นผู้นำเราทั้งหลายเข้าสู่แผ่นดินสวรรค์ของพระองค์พระองค์เจ้าข้าเราทั้งหลายสัญญาว่าจะติดตามพระองค์จากนี้และตลอดไปชีวิตของเราจะมีพระองค์เพียงหนึ่งเดียว ขอพระองค์ทรงนำทางเราฝากมอบชีวิตของเราทั้งหลายไว้ในพระหัหตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมน